ได้มาต่อระดับเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนราชสีมาต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐธิภาษาศนศาสตร์เกียรตินิยมดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีพุทธศักราช2508ต่อมา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 นำความปราบปื้มปิติมาสู่ครอบครัวญาติมิตรและสิทธานุสิ์โดยทั่วกันหลวงพ่อพระมหาเสริมใจได้เข้าบรระชาอุปสมบทนับพัทธสีมาวัดปากน้ำพาสีเจริญ เมื่อวันที่6มีนาคม2529โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโสาจารย์เจ้ า, าวาดวัดสามพริยาเจ้าคณะใหญ่หนส์กลางเป็นอุปชามีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระพมคุณาภรเจ้าอาวาดวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารเป็นพระกรรมวาจาาจารย์และเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระธรรมทีราชมหามุนีเจ้าวาดวัดปากน้ำพาสีเจริญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าชยมังคลโ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 ได้กระทําตัวให้เป็นตัวอย่างให้เป็นประจักษ์ว่าแม้ท่านจะเริ่มเรียนในวัยร่วม60สปีแต่ก็ไม่ได้ย่อดทอหรือด้อยกว่าพร ะ, พ, ระพิสุสงฆ์สามเณรที่อยู่ในวัยกําลังศึกษาท่านกลับคอยเป็นกําลังใจให้พระพิสุสงฆ์สามเณรอยู่เสมอในการที่จะบากบัน่นศึกษาเล่าเรียนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จ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 ทุกวันพุทธที่สองของเดือนตั้งแต่เวลา8ปดนกาถึง9ก้าในาในส่วนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สของเดือนตั้งแต่เวลา8ปดนกถึง8ปดนกาสนาทีพนงานการเผยแพร่ธรรมะของท่านเป็นประจักษ์พยานจนได้รับรางวัลดีเด่นด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนารภายในประเทศเป็นรางวัลเสมาธรรมจักร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 มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขต จ, จังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงตลอดจนทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ในระดับอุดมศึกษาเป็นการตอบแทนสังคมและสร้างสังคมสำหรับผู้มีความสามารถและประพฤติดีได้มีโอกาสศึกษาเท่าเทีเทยมกันใ น, นส่วนของญาติโยมผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์วัดเสมอมาเมื่ อ, อยามีความทุกข์เดือดร้อนเมื่อท่านร้นทราบ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 เมื่อปีพุทธศักราช 2,538 ได้รับรางวัลชนะเลิศการปลูกป่าประเภทศาสนาสถานของกรมป่าไม้เมื่อปีพุทธศักราช 2,539 ความเจริญเติบโตของทางวัดมิได้มุ่งเน้นพันงด้านวัตถุมากนักแต่กลับเห็นความสำคัญของการพัฒนาธรรมะของพระพิสุสงฆ์สามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา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 มาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านพัฒนาหารยารักษาโรครอจนการศึกษาของพระอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะไม่ต้องเป็นภาระแกะ่ญาติโยมมากนักสำหรับผู้ที่มีกำลังก็สามารถที่จะตั้งทุนเพื่อนำดอกผลมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอในอนาคต ด้วยการบำเพ็ญคุณความดีและประโยชน์นานับประการที่ไม่สามารถจะกล่าวสาวทยายได้หมดสิ้นในช่วงเวลาอันจำกัดคุณความดีของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้ปรากฏโดยโดยรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณนะสามัญเป็นที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณเมื่อวันที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2541จากสมณศักดิ์ที่ได้รับนีรย่อมนำความปริติยินดีแก่ศิษยานุสิทธิ์ญาติมิตรพระพิสุสงฆ์สามเณรพรอยในวัดระเพรานุเถระพี่หลวงพ่อพระมหาเสริมชัยหรือพระภาวนาวิสุทธิคุณ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 ของหลวงพ่อวัดปากนาวรมรำปณิธานของท่านที่ได้ตั้งใจไว้นับแต่วันแรกที่บวชและถวายตัวมอบชีวิตให้เป็นผู้นายต่างพระพุทธศาสนาดังคำบาลีที่ว่า โยฮาเวพระหาโรพิกุยุญชติพุทธโสเนโสมังโลกังราเสติอัภามุตโตวัจนทิมาแปลความว่าแม้เป็นผิงพิสุน้อยหากอุทิศตนแก่พระพุทธศาสนาย่อมอาจส่องโลกนี้ให้สว่างได้ดุดดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆ บทสื่อทุชนก็ได้รับฟัง ชีวประวัติของพระเดชพรคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อปรหมาวเสริมชัยชยมงคลูจบลงไปแล้วด้วยการนําเสนอของอยานรัตนะซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์คนหนึ่งในพระเดชพระคุณหลวงพออ่อได้เขียนชีวประวัตินั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้สาธุชน ได้รับสวเนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณพ่อท่านรับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชคณะที่พระภาวนาวุสุทธิคุณในโอกาสนี้ทางคณะสิทธิศยานุสิทธิ์จึงนำสวัสริ์อันเกี่ยวเนื่องกับด้วยบุคคล หรือที่เรียกว่าบุคคลกับธรรมะมาฝากท่านสาธุชนผู้ติดตามรับฟัง ร, ร้อยกรรและต่อจากนี้ไปก็จะเป็นอา่าองปาตกถาหรือองธรรมบรรยายประจมรายการธรรมะสุสติข็คงจะใช้พระจิตนมนามที่พระผู้นวิสุทธิคุณจึง จเจริญพรมาอย่างสางุชนผู้กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมวสุสันติอยู่ว่าบางทีรา จ, จะเคยยินชื่อพระภูนาวิสุทธิคุณอาจจะไม่คุ้นหูแต่ให้ทราบไว้ว่าพระเด็กดคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชุยมังคโลนั้นรับแต่งตั้งเป็น ร, ราชาคณะชนสามัญ พระราชีน า, นามว่าพระผาวิสุธิคุณต่อไปก็จะเป็นองค์ปาตกรวาหรือองค์ธรรมบัญยายประจำรายการธรรมสุสันติต่อไปซึ่งจะทำหน้าที่เผยแพร่ปรุกศาสนา<อ>หลักปริยัติวิธีการปฏิบัต รวมทั้งผของการปฏิบัติสู่ท่านสาธุชนเป็นประเจ้าสำหรับวันนี้การธรรมสุสันติก็เวลาลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมาทางรายการได้ต่อไปสำหรับวันนี้ของเจริญเรื่องในพระสัทธ ร, ร จงมีเดลหูฟังทุกทำเทือน